ตอนที่18เรื่องคืนนี้ไม่จบง่ายๆแน่เฮ่ยๆฉันจะทําอะไรเดี๋ยวเธอก็จะได้รู้เองหลิวเคอเคอเลิกคิ้วขึ้นพางตะโกนเรียกเท่าแก่มาเพื่อนร่วม ง, งานคนอื่นๆไม่มีใครกล้าห้ามเพราะไม่อยากล่วงเกินหลิวเคอเคอพวกเธอต่างเคยได้ยินมาบ้างว่าหลิวเคอเคอร์เป็นคนรับผิดชอบทําข่าวบันทึกภารกิจของผู้พันโจมาโดยตลอดพวกเธอเคยเห็นผู้พันโจกันมาบ้างเขาเป็นสหายชายที่ยอดเยี่ยมมากคนหนึ่งอีกทั้งยังอายุน้อยและมีอนาคตไกลไม่นึกเลยว่าอดีตภรยาของเขาจะเป็นคนแบบนี้ ลิชิงพิงนั้นหน้าตา ส, สวยก็จริงแต่กลิ่นอายที่แผ่ออกมาดูไม่คู่ควรกับผู้พันโจเลยสักนิดความจริงแล้วพวกเธอกลับรู้สึกว่าคนที่เหมาะสมกับผู้พันโจที่สุดก็คือเคอเคอทั้งคู่ยืนด้วยกันแล้วช่างกิ่งทองใบหยกพวกเธอเคยได้ยินวีรกรรมของลีชิงพิงมาบ้างความคิดเดียวในตอนนี้ก็คือคนเราดูแค่ภายนอกไม่ได้จริงๆเพราะผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางซื่ อ, อแต่กลับทําเรื่องไม่ซื่อออกมาได้สวัสดีครับไม่ทราบว่าอาหารวันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ เขาแก่รีบเดินเข้ามาถามถ่ายกลุ่มลูกค้าของหลิวเคอเคออย่างสุภาพเท่าแก่อาหารร้านคุณไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่แต่พนักงานเสิร์ฟในร้านคุณนั่นมีปัญหาหลิวเคอเคอพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจคุณดูหล่อนสิเธอชี้ไปที่หลีชิงผิงเติมทีพวกเรากับว่าจะห่ออาหารพวกนี้กลับบ้านแต่ยนี่กลับเททิ้งหมดเลยนี่มันอาหารที่พวกเราเสียงเงินซื้อนะคะพวกเรามีสิทธิ์จะจัดการกับของเหลือยังไงก็ได้เททิ้งแบบนี้แล้วพวกเราจะกินยังไง เพื่อนร่วม ง, งานคนอื่นๆจากสำนักพิมพ์ต่างรู้ดีว่าหลิวเคอเคอเจตนาหาเรื่องชัดๆคืนนี้หลีชิงผิงคงจะสวยแล้วเธอทำอะไรของเธอฉันรู้ว่าเธอขยนันแต่ก็ไม่เห็นต้องขยันขนาดนี้เลยได้ถามลูกค้าหรือยังว่าเขาจะจัดการกับอาหารพวกนี้ยังไงเท่าแก่ทำหน้าบึ้งตึงดุด่าหลีชิงผิงเมื่อครูหลีชิงผิงไม่ได้ถามจริงๆนั่นเป็นความสะเพร่าของเธอแต่คนพวกนี้ทำถ้าจะเดินออกไปแล้วดูยังไงก็ไม่เหมือนคนจะห่อของเหลือกลับบ้านเลยสักนิด ลีชิงผิงรู้ดีว่าสิ่งที่หลิวเคอเคอพูดมาทั้งหมดนั้นจงใจชัดๆเป็นการหาเรื่องจับผิดเธอชัดเจนขอโทษค่ะเท่าแก่คราวหน้าฉันจะไม่ทำพลาดแบบนี้อีกแล้วคะ่ะเธอขอโทษฉันจะมีประโยชน์อะไรยังไม่รีผอโทษลูกค้าอีกเท่าแก่ตะหวาเสียงแข็งลีชิงผิงหลิวเคอเคอมองท่าทางไม่เต็มใจของลีชิงผิงแล้วในใจก็เบิกบานอย่างยิ่งในที่สุดเธอก็เอาชนะคืนมาได้ตาหนึ่ง เท่าแก่ค่แค่ขอโทษคงไม่พอหล่อค่าอาหารมื้อนี้ของพวกเราในคืนนี้ก็ให้หล่อนเป็นคนชดใช้แล้วกันลิวเคอเคอพูดอย่างไม่ยี่งละ่ะพวกเราก็ไม่ใช่เพิ่งเคยมาทานอาหารที่ร้านอาหารของรัฐแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะคะปกติก็ชอบมาสังสรรค์กันที่นี่บ่อยๆแต่ประสบการณ์การทานอาหารคืนนี้แย่ที่สุดฉันก็ไม่อยากลําบากใจเท่าแก่รล่อค่าใครทําผิดคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบฉันเป็นคนมีเหตุผลพออาหารมื้อนี้มีมูลค่าอย่างน้อยก็ห้ากว่าหยวน ลี่ิงพิงเพิ่งมาทำงานวันที่สองกลับต้องเสียเงินไปห้ากว่าหยวนเท่ากับว่าทำงานฟรีไปหลายเดือนเลยทีเดียวลีชิงพิงไม่ยอมอาหารพวกนี้พวกคุณก็ทานไปตั้งเยอะแล้วทำไมถึงจะให้ฉันชดใช้ทั้งหมดล่ะคะเท่าแกข่ขโมดคิ้วข้อเรียกร้องของลูกค้านั้นเกินไปจริงๆชดใช้วความเสียหายบางส่วนยังพอว่าแต่ให้รับผิดชอบทั้งหมดมันต่างอะไรกับการทานฟรีละ่ะแต่ประเด็นสำคัญคือจะล่วงเกินลูกค้าไม่ได้การค้าขายจะทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเน้นความปรองดองถึงจะรวย ฉันบอกให้เธอชดใช้ทั้งหมดก็นับว่าชันใจดีมากแล้วนะถ้าฉันเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นเพิ่มได้จะยิ่งกว่านี้อีกหลิวเคอเคอร์เบกเธอทาลายบรรยากาศการทานอาหารของพวกเราตามหลักแล้วเธอก็ต้องชดใช้ความเสียหายส่วนนี้ด้วยพูดจบหลิวเคอเคอร์ก็เสริมต่อเท่าแกะคะพวกเรามาจากสํานักพิมพ์กันทั้งนั้นถ้าเรื่องนี้คุณจัดการได้ดีพรุ่งนี้ฉันจะช่วยโฆษณาร้านให้ฟรีๆเลยค่ะเท่าแก่มีหรือจะไม่เข้าใจคําขู่ในคําพูดของหลิวเคอเคอเมื่อช่างน้ําหนักผลดีผลเสียแล้วเท่าแก่จึงสสัั่่งงงงใใหใหห้้ห้ีชชชิิดคาาเยยทม ทำงานซุ่มซ่ามไม่มีสมองเอาเสียเลยใบหน้าของหลีชิงผิงซีดเผือดลงทันทีเพราะอะไรกันเท่าแก่คะถ้าคุณจัดการแบบนี้งานนี้ฉันไม่ทําแล้วก็ได้ข้ามันไม่ยุติธรรมเลยจะทําหรือไม่ทําก็เรื่องของเธอยังไงเงินก็นี้เธอก็ต้องชดใช้หริวเคอเคอยังคงไม่ปล่อยเธอไปหลีชิงผิงเงินห้สิบกว่าหยวนนี่ก็แค่เงินเดือนไม่กี่เดือนของเธอต่อไปเธอก็ยังทํางานที่นี่ต่อได้อย่างโง่นักเลย เท่าแก่ทำหน้าขรึมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ฉันโงเขาจนไม่รู้จักพลิกแพลงเอาเสียเลยเขาพูดด้วยความโมโหฉันยอมรับว่าฉันมีส่วนผิดแต่ทํำไมฉันต้องรับผิดชอบทั้งหมดด้วยล่ะคะลีชิงผิงตะโกนเถียงพวกเขากําลังจะจ่ายเงินเดินออกจากร้านไปแล้วแท้แต่ตอนนี้กลับมาบอกว่าจะห่อของเหลือกลับบ้านทำํำไมตอนแรกไม่พูดละ่ะแล้วก็เท่าแก่ด้วยคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าแค่ลูกค้าลุกจากที่นั่งเห็นของบนโต๊ะก็ต้องเก็บกว่าทันทีฉันก็ทําตามที่คุณสั่งทุกอย่าง ลี่ชิงพิงเข้าใจดีว่าหลิวเคอเคอจงใจทําให้เธอลำบากใจผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมเลิกรา ง, งายง่ายๆถ้าเธอไม่ยอมชดใช้พวกเราไปที่สถานีตํารวจกันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ดีไม่ดีเธออาจจะถูกจับเข้าคุกด้วยเท่าแก่เห็นลี่ชิงพิงกล้าถลึงตาใส่เขาก็เริ่มโมโหขึ้นมาเหมือนกันเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟในร้านกล้าดียังไงมาใช้น้ําเสียงแบบนี้พูดกับเขาหลิวเคอเคอดีใจจนเนื้อเต้นมุมปากอดไม่ได้ที่จะยกยิ้มเท่าแก่สิ่ถึงจะเป็นคนรู้ความ หลี่ชิงพิงพยักหน้ายอย่างแรงแล้วพูดว่าได้พวกเราไม่ต้องมาเสียเวลาพูดจาไร้าสาระที่นี่หรอกไปที่สถานีตำรวจกันเดี๋ยวนี้เลยไปตัดสินกันให้รู้เรื่องเธอนี่มันยังไงกันเท่าแก่ส่งเสียงจีจพรางกระซิบเตือนหลี่ชิงพิงเธอนี่เป็นคนจริงจังนักเลยไม่เข้าใจหรือไงว่าการยอมเสียเปรียบคือวาสนาเขาเรียกร้องแบบนี้ก็ไม่เห็นจะเกินไปตรงไหนอย่ามาทำตัวงี่เง่าที่นี่ฉันไม่เข้าใจแค่ฉันรู้แค่ว่าพวกคุณทำแบบนี้มันคือการรังแกกันชัดชด ลิชิงพิงโกรธจนขอบตาแดงกำ่ำและตอนที่เธอรังแกเจียนเย่ละ่ะเรื่องที่เธอทำลงไปมันเกินไปยิ่งกว่านี้อีกหลิวเคอรเคอเถียงกลับตอนนี้ก็ไปจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สถานีตำรวจเลยแล้วกันเจ้งอวินชงพาหลีหวานปรากฏตัวขึ้นในร้านชายหนุ่มก้าวเท้าฉับฉับเข้ามาดวงตาคมกริบจ้องคำม็งไปที่หลิวเคอเคอนักข่าวหลิวไม่นึกเลยว่าคุณจะใช้อำนาจหน้าที่ในงานมาข่มขู่คนอื่นแบบนี้ทำไมครับ ฟังจากน้ำเสียงของคุณถ้าเท่าแก่ไม่ทำตามที่คุณบอกคุณ ก, ก็จะเขียนข่าวเหลวไหลป้ายสีร้านอาหารของรัฐนงั้นเหรอเจิงอวิ๋งชงหัวร้อยเย็นชาแค่นักเก่าวตัวเล็กๆอย่างคุณยังมีฤทธิ์เดชขนาดนี้งั้นหัวหน้าบรรณาธิการของสำนักพิมพ์คุณไม่ฤทธิ์เดชมากกว่านี้หรอผมละชักสงสัยแล้วสิว่าเขาจะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินได้เลยไหมหลิวเคอเคอรซาร่ า, มาเมาไปไม่น้อยเธอลอบปลื้นน้ำลายอย่างยากลําบาก รองผู้พันเจิง้งคุณนี่ช่างเป็นวีรบุรุษ ช, ช่วยสาวงามจริ ง, รงๆนะคะ น, นี่ยังกล้าบอกอีกระ ว, ว่าพวกคุณสองคนไม่มีอะไรกันคำพูดบางคำ น, นั้นผมก็พูดไปชัดเจนมากแล้วคุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงเจ้างวิงชงสวนกลับเรื่องในคืนนี้ไม่จบง่ายๆแน่